เราจะให้หมอจิ ง, งๆก็คงพูดขณะที่เราปฏิบัติไปสอบวาลังไปให้ความคิดแนะนํำตอนที่กําลังทําอยู่เวทีที่ชำนาญในเรื่องนี้คือวัดป่าสุโธตพูดทุกวันตอนเช้าตอนเย็นคนที่ฟังก็ฟัง จ, งจิงที่เราได้ฟังน่าจิงที่เราได้ยินไปยินเราพูดเขาก็ไปทํา สิ่งที่เได้ทำเราก็เขาก็จเยนสิ่งที่เขาได้ย็นเขา ไ, ไปทำดูนั่นก็ว่าเป็นแนวร่วมเป็นสิ่งที่ทาให้เกิดภาวะพอดีกัสิ่งที่เขาได้ยนเขาไปทดูสิ่งที่เขาทเขาได้ย็นมาก็สมดุลกันงเป็นวทีที่เหมาะที่สุด ในที่นี้ก็ไม่ได้หมายพราะว่าทจ้านายไม่ได้รู้อะไรเลยคงจะได้ทำํำไปนาน้าได้เห็นทีน่นี่ได้รู้ทีน่นี้บ้างพอทุกคนมิจฉาลีบ้านคนใหม่ที่นี้ชุมชนของคนเมืองหลวงนี่ทีน่นี่เป็นแหล่งที่น่าอุ่นใจที่สุดก็ขอเป็นที่เป็นเพื่อนในการศึกษาปฏิบัติธรรมโดยเฉพาะข้าปฏิบัติ แต่ไม่พายลงทิศหลงทางจึงเอาไปทําดูนี่หลักการกระทาพระพุทธเจ้าก็ทรงแสดงไว้ให้มีสติดูกายเห็นกายให้เห็นต้องเห็นถ้าไม่ดูมันก็ไปเห็นไม้มันมีอยู่ถ้าเราไม่ดูก็ไม่เห็นจึงสร้างภาวะที่ดูเกิดขึ้นภาวะที่ดูนี่ยก็จะพูดตามหลักปรัชญาเราต้องสร้างใช่มันไปเลยมันมีอยู่แล้ว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 แต่ที่เราจะมีประโยชน์ประโยชน์นั้นเกิดจากความหลงแม่มันยอดเยียมมากประโยชน์นั้นเกิดจากความทุกข์ก็ยอดเยีย่ยมที่สุดเลยที่ตรงนั้นคมองเห็นได้อย่างเวลาทกอะไรย้อนอยู่ตรงนั้นมันก็รู้ไม่ใช่ไปทุกข์เวลาทุกข์อะไรอยู่ตรงนั้นด้วยมันก็รู้ รูสุรทุกตัวเนี่ยก็รูซื้อซื้อตัวนี้มีค่ามากเราว่าค่อยๆเอารสชาติเรามัรสุ ก, ก็มีรถชาติคนสุดปลายเวลาบรรทุกก็มีรถชาติควาทุกข์รถนั้วมันก็เลยใหญ่โตราะก็เป็นรถของโลกไปความสุขความทุกข์เป็นรสของโลกอันธรรมะเนี่ยมันซื้อซื้อตัวรูซื้อซื้ อ, อ, อ, อ, อตัวเนี่ยไม่มีค่าไม่ค่าไปเลย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 ภาษาของการปฏิบัติคือปฏิคืกลับมามาให้ค่ามันซื้ออนะเวลาเราปฏิบัติเนี่ยเราทำอย่างนี้ดูถ้าเราไม่ค่ามันสักครั้งหนึง่งสองครั้งมันก็ไม่ค้าโชว์เหมือนเราไปดูการแสดงกลพ่าเรารู้จักกลวิธีของของเราแม่ค่าการแสดงเขาเขาก็แสดงต่อเราไปได้แต่ก่อนเราหอวเราะเราล่องไห้ยเพราะการแสดงของของ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 ถ้ามันหลงาลการู้ซะผ่านแล้วอย่าให้ครามหลงมาขวางกันถ้ามันทุกข์ก็รู้ซะทุกทุกเนี่ยพาให้เราถึงความรู้มันก็เกรดมนดีแล้วมันทุกเทียรู้ทุกทีมันก็ผ่านได้ทุกทีเป็นการสอบผ่านเป็นใครเป็นคนให้การทางผ่าอย่นีน้ไม่มีใครให้เราเป็นตัวเราเองที่ทำให้ตัวเราเองรู้ว่ามันผ่านไป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 อย่าเป็นหัวจากในเพื่อนร่วม ง, งานเลยเอามาเป็นบัญญารู้จักคนรู้จกนะักถามท้าถามท้าอย่างไรใครเป็นคนตอบเราตอบเองไม่มีใครรู้เต่าเท่าตัวเราเพาว่าเราอินเทอร์เราเราก็รู้ตัวเราตัวเขาว่าเขาสเสินอ เ, เราเราก็รู้ตัวเขาสเสนอไม่มีใครรู้ตัวเราเท่าตัวเราเราในโลกนี้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 หลายอย่าเส็นเราลูกเพราะวะาลูกเป็นคนธรรมันสูงสุดอย่าไปไม่ใช่ซื่อแบบชื่อบื้อนะไอ้ซื่อแบบซื่อบื้อไม่รู้ไม่คิดอะไรอย่างนั้นก็ไม่ถูกเช่นสมัยหนึ่งหลวงตาเดวัตจุกโตไปปฏิโมกที่หอใจขึ้นไปบนหลังเขาโอปปติโภกเสด็จลงมาปา่านสลากะ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 มือนคนมีวิชาการ ต, ต่างๆท่านนั่งอยู่นี้อาจจะชำนาญในทุกสาขาอาชีพเป็นหมอก็มีเป็นนักกีฬากันอะไรก็มีแต่ทิ้งขาที่ท่านนีประสบการน์้วนั่นก็อก่านจะโชกีเมื่อทันทิอย่างน้งตาเจ็บป่วยเนี่ยไม่รู้ใครเป็นหมอก็อไปดูแล้วโอ้หมอคือวันนี้ก็เขามาดูเราก็ขี้ทันทีโรคอะไรนี้ไปอยู่ตอนนั่นตรง น, นี้เขาโฉกี่เมื่วิชา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 จากที่ลกมลงหลังกายเป็นลูกเป็นเตียนลอยหังควบด้วยตัวเต้นไปหมดเรียกว่ามหาเศิษฐปัะธานแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นลองทำให้สุดผีมือลองดูนะขอท้าถ า, ายแต่นี้ขอรับผิดชอบลรงนี้ว่าเป็นไปได้ถ้าทำคำสอนนะเ ป, นเป็นไปเพื่อความดับทุกข์เป็นไปเพื่อความสงบเป็นไปเพื่อปัจลีที่ผ่านได้จริง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 พูดแล้วหลายข้างหลายผนคิดที่ไม้ได้ตั้งใจคิดแบบตั้งใจก็มีเหมือนกันรู้วันตะลันลเวลานี้ไม่ใช่บานั่งคิดหนาะเหตุนหนาผลรามาจเจริญสติลงมาดูว่ารู้สึกตัวไม่ใช่บ้าคิดหาคำตอบจากควาคิดให้ถูกต้องอันความคิดวันคิดได้แต่มันไม่จริงอันรู้ได้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 ของการทำเอาตั้งไว้ตั้งไว้ที่ความรูเ้เฉยเฉยตั้งไว้ที่กายวงเอากายเป็ น, นิดบ้างหัดไมไหวก็มีที่ตั้งหลายตามรูปแบบที่พระพุทธเจ้าทรงสังสอนเขาว่าการคู่แขนเข้าการเหยียดแขนออกมีสติมีสมัจญา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 ทุกดอทุกดอกพดนวาแเดเกิดพ้นวันเดืกเกิดตอนนั้นพระเจ้าปตัดสรูปใหม่หม่จากเดือนพึกภามาถึงเนือนโคลักดาเดือนกัว่าวมาเจอคำพูดของคนพรนาณศรีทุกดอกทุกดอกว้นวันเดือกเกิดพระพุทธเจ้าอยู่ป่าอิาสิปตระมาเลิกข้าวเยวัน กำลังจงกองอยู่ตอนได้ลุงได้ยินเสียงคนร้องขอทุกข์หรอทุกข์หรอพระเจ้าสวนนางออกไปที่ไม่ทุกข์เลยที่ไม่บ่นบายมาที่นี่เถิดผู้คนคนนั้นได้ยินครับพูดสวดว่าพอเดินเข้าไปหาเห็นพระเจ้าไม่รู้ว่าเป็นพระเจ้าก็เลยไปฟังธรรมได้เป็นพระอรหันตา ก, กันทุกแต่แท้เมืนเกิดศรัทธาหาทางออก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 มืดแปรด้านเมื่อได้ยินคาสวดคำพูดเทน น, นีขึ้นมาภาคภูมิเราก็อ่อนเป่วยแต่ก่อนเนี่ยหน้ายิ้ขึ้นจะตายอยแล้วพอเราสรวดไปจวไปก็หน้ามันหย่อนลงหย่อนลงหย่อนลงนกมือนามขึนม้นมามันก็ช่วยได้ห้าทีทองมันแทนที่มันจะทุกข์ลงขนาดนั้นพอยิงคาสวดก็เออขึ้นมาแล้วี่จะทาขึ้นหนาฟังแล้วก็พูดไปไปสวดอยู่ที่เจอร์ซียอเมริกา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 เขายอมที่จะเข้าถึงองมิตตพุทธได้เขามีเครื่องเล็กเท่าแม่หัวแม่มือช่วยในสูงกับเขาเชื่ออมีโตโพมีโตโพมีโตโพนักขับรถก็มีโตโพมีโตโพได้ยินเเสียงอมิตตพุทธอยู่กขนาดนันะคนใกลจะตายเขาไปสวดกูเขาลนตาก็ไปสวดกูเขาเอาใส่เสื้อใหญ่คลุมเหมือนกับอะไรต่างๆใส่ชดุดเขามีฉีดด้วยมีเคาะด้วยเคาะไปด้วยคนป่วยก็โอ้ยดีเหลือเกินอนะ ออกมาใช่บางไทยเราก็ได้อาารย์ยังลู้เรืงนี้กันพอสมควรเพราะอะไรเพราะเคยเจ็บสุดๆไปแล้วเคยตายมาแล้วจริ ง, งอยากเป็นเพื่องคนตายคนเก็บก็ที่สุดเวลานี้อะมันมันเปลี่ยนไปได้นะเวลาเขาเจ็บมองก็ไม่เจ็บได้ลืมมันก็ได้ความเจ็บเนี่ยลองดูสิ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 โดยคุยทั้งแต่รู้ชื่อซๆไปเอาภาวะที่รู้ชื่อๆไปเลยไม่มีค่าอะไรกบเจ็บกบไมีค่ากบแก่กบตายไม่มีค่ า, ม, า, ม, ามันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆเช่นว่าข่าวก่วอนน้องตาไปมาสวดในฝังนี้นี่ว่าจะเป็นสังขารนิจติญาติถ้าปัญญาจะปสติเมื่ อ, อใดบุคคลเนี่ยด้วยปัญญาว่าสังขารเป็นเที่ยงสังขารมันไม่เที่ยงจริง ๆ, ๆ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 สติขอเราเหมือนช่างตัวเดิหมาไม่เห่าช่างไปกลัวทำไมมีบ้างวันไหวทาไมะ่ะกองตางพวกมาก็ายิ้มกันเอ้สู้อีกวันนี้เกิดวันเดียวได้ทีเลยโอ้ยหมามเห่าช่างใช่ไหมเหตุผลหมาตัวเดงมปฏิสัมพญาญาของเราตามใจของเราเหมือนช่างเมมห่าช่างจะไปบาอะไรคิดจ้ยทีเดียวเลยไม่ใช่ยิ่งใหญ่ พี่ว่ากิเลสพันหน้าตณหากระดับไม่ใช่ทางนั้นเลยสำหรับคนที่ไม่รู้คนที่รู้แล้วมีประโยชน์มากแยกๆไปเลยผลประโยชน์จากเสียงนี้อืมกลุ<ะ>่มมองหองนอนวัดแลวทำต่างๆที่เป็นทางของข้างในพระเรียบบุคคลเมืองโตษเกิดขึ้นมาได้เรียก ว, ว่าสังโยชน์ถ้างองดูจริงๆแล้วล้นตาก็เปลี่ยนเด้บอกเอสัโยชน์เนี่ย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 ให้ตาให้หูเป็นใหญ่ให้จมูกรื่นตาใจเป็นใหญ่แต่ต่อไปเราสร้างสติอินทียขึ้นมาให้มันเป็นใหญ่ลองดูสิว่าจะมีคุณภาพอะไรลองดูสักหน่อยเลสิอะไรก็อะไรก็ตามให้สติออกหน้าออกตาให้สติเป็นเจ้าของกายเป็นเจ้าของใจลองดูก่อนอย่าให้ความหลงเป็นออกห้าออกตาอะไรก่อนพูดจะคิดจะทําให้สติเช่นก่อน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 เริ่ต้นจากเหยียบต้องนี้ไปถ้าเราจะให้เป็นทางก็ต้องเหยียบเป็นทางไปก่อนสร้างตัวรูปเพราะว่าทีรูปซื่อๆไปก่อนให้มันเต็มตัวไปเลยมันจะกลายเป็นทางที่ง่ายที่สุดแยวถ้าเราไม่สร้างตัวนี้ก็ลุกลงหลงังมองไม่เห็นเห็นแต่ความหลมออกหน้าออกตาความทุกข์ออกหน้าออกตาเรามวิตกกังวลออกหน้า อ, อต า, ตอออ า, ออตาเป็นปัญหาเป็นปัจจต่อการใชชีวิตของเรา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 ให้คนใหม่พี่นะาดูอ <S <S อยากอยู่ตามภาษาก็แก่เดี๋ยวนี้อยู่วัดก็ไม่ได้ทำอะไรแล้วอาศัยเพื่อนตอนั้นก็อย่าไ ป, อปเอาเปลี่ยถูกกันไปเอาตัวเองนั่นแหละมากที่สุดนะอก็ด้วยจิตใสใจสติาของเราทั้งหลายที่ตั้งใจมาฟังเทศฟังธรรมาภาคปฏิบัติธรรม ก็เปิดขวดตนเองนำไปใช่นำไปเป็นตองดูเวลานี้ไปแย่เราตามพูดให้จำเอาอาพูดตั้งไปทำดูแล้วก็จะเกิดกุศลขึ้นมาขอจําเป็นพละวพาัย์ใจข้ามจุดตนตกท่านทุกท่านจงเวก็สุขการสบายใจปราศาจากทุกโศกโรคภัยอันตรายทั้งพวงในอายุวันน้าสุขภาพละประ ก, กอบจิตการงนานชอบโดยสิทธิ์นั้นทำให้สัพเด็จตามปรมสค์ ได้มีโอกาสเข้าถึงคุณนธรรมเนื่องสูงในศาสนาสมาพุทธเจ้าในชาตปีบัณ น, นี้ด้วยกันทุกคนและได้ช่วยคนในรูปตามให้เกิดความจบต้นได้าทุกคนทุกคนได้เธอ